ที่ที่เรานั่งอยู่นี้นะชาบ้าเรียกว่าภาสิวิไลเดิมทีเนี่ยมันชื่อวาสนเทยวิไลนะเพราะว่าคนชอบมานั่งพักหรือค้างแรมในช่วงตอนเย็นพระอาทิตย์ตกตอนหลังชื่อว่ากลอนเป็นเป็นพาสิวิไล่ยนะตรงนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ของธรรมยาราคือเป็นจุดเด่นนะของอการเดินธรรมยาราในหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นพีคด้วยนะพีคของธรรมยาราพีคแปลว่าจุดสูงสุดนะเป็นทั้งจุดสูงสุดในในความหมายของกายภาพนะในแง่ของกายภาพก็คือว่าเป็นจุดที่ อยู่สูงจากพื้นดินหรือว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดนะจากเมื่อเทียบกับสถานที่ต่างๆที่เราได้แวะเยี่ยมเยือนนะแล้วก็เป็นมีความหมายสูงสุดทั้งในแง่ของประสบการณ์ความรู้สึกหรือความประทับใจเราก็ได้ผ่านมาหลายที่ แล้วก็เมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกประทับใจจะรู้สึกว่ า, ามันให้ความหมายที่งดงามมากมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถานที่ต่างๆที่เราได้ผ่านมาตลอดอาทิตย์นี้ทุกคณะที่มาถึงตรงนี้นะ ก็มาเมื่อคณะธรรมย a t r เมื่อการเดินธรรมย a ตราเนี่ยมันใกล้จะปิดท้ายแล้วก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะแช่มชื่นแต่สำหรับพวกเรานะการที่เราได้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายพิเศษอีก ตรงที่ว่าเราได้มาเห็นทัศนียภาพซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตาเท่านั้นแต่ว่าเราได้เห็นสถานที่ที่เราได้ไปสัมผัสเราได้ก้าว มันเป็นที่ที่เราได้ย่างเท้าเดินก้าวแล้วก้าวเร่าจะเรียกว่าคงเป็นพันพันก้าวหรือเป็นหมื่นก้าวด้วยซำ้ำตรงที่ตรงข้างหน้าที่เราเห็นนี่นะไกลออกไปก็คือภนะูเขียวซึ่งเราคงจำได้เมื่อวันที่ห้าเช้าวันที่ห้าเราเดินเนี่ยภูเขียวนี่อยู่ใกล้เรามากนะ ข้างซ้ายเป็นภูเขียวข้างขวาเป็นภูแหลงคาขนาดหรือขนาดทั้งสองข้างมันก็เป็นปราการนะป้องกันอันตรายกับเราแต่ว่าตอนนี้ภูเขียวก็อยู่อยู่ไกลนะรีบสุดสายตาส่วนภูเขียวซึ่งเคยนะอยู่ด้านทิศเหนือของเราตอนนี้ก็กลายเป็นทิศใต้ไปซะละ หมู่บ้านที่หมู่บ้านสุดท้ายที่เราได้เยี่ยมเยือนคือบ้านนาไฮนะตอนนี้เราก็เห็นอยู่ลิบลิบแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นนะเส้นทางที่เราเดินจากบ้านนาไฮตรงมาที่บ้านพ่อประจักรผ่านเนินที่เป็นวัดป่าภูหังแล้วก็คงจะเดาได้ว่า เราลงเราเราเข้าป่ า, าตรงไหนแล้วเราค้างแรนตรงไหนเส้นทางแต่และจุดแต่และจุดที่พูดถึงเนี้ยมันมันมีความรู้สึกของเราเข้าไปปักปนด้วยเพราะว่าเราได้เดินผ่านด้วยความเหนื่อยยากด้วยความเพียรพยายาม ในในสุดล้วก็ผ่านมาแล้วขึ้นมาจนถึงตรงนี้ได้เป็นัน้นภาพที่เราเห็นข้างหน้านี้มันจึงมีความหมายมากกว่าเป็นแค่วิวชื่อชัดที่เราชื่นชมชมันมีเนื้อมีตัวมีความรู้สึก ข, ของเราปรับปลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ว่าด้วยแังมันก็เลยเป็น เชื่อว่าก็คงจะเป็นอเป็นภาพที่ให้ความประทับใจกับเราเมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะการที่เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะเป็นที่ที่สูงที่เรามองเห็นอะไรได้กว้างไกลมันก็คงคล้ายกับ จุดหมายปลายทางของการจาริกแสวงบุญการจาริกแ ส, สวงบุญในหลายที่ในหลายวัฒนธรรมในหลายประเทศเนี่ยก็จะจุดหมายปลายทางอยู่บนยอดเขาไม่ว่าจะเป็นตักสังที่ภูฐานสูงมากนะตักสังทาเสือหรือว่าพระธาตุอินแขวนที่พมา่า ดอยสุเทพนะที่เมืองไทยหรือว่ายอดภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสริปาทาที่ประเทศศรีลังกาทุกวัฒ น, นธรรมเนี่ยเมื่อมีการจะเล็กแสวงบุญจุดหมายปลายทางสุดท้ายเนี่ยรวนแล้วแต่อยู่บนยอดเขาบนที่สูงเพราะว่าที่สูงนั้นเนี่ย บนยอดเขานี้ก็แต่ดั้งเดิมก็มีความเชื่อเป็นที่สิงสถิตของเทวดาแต่สําหรัชาพุทธแล้วเนี่ยยอดเขานี่เป็นที่สิงสเป็นที่สถิตนะของสิ่งสูงสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เรานับถือเช่นอภรณ์สารูติกข้าพระพุทธบาท ซึ่งสิงห์งานี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นยิ่งก่ น, นั้นคือเป็นตัวแทนของอุดมคติสูงสุดของชาวพุทธนั่นคือนิพพานและนึ่งจากอยู่ันที่สูงการเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากบางแหง่ง บางทีก็ต้องใช้ความเพียนเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะที่จริงสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่กะทั้งดอยสุเทพเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงนี่ก็เป็นอาทิตย์นะเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีรถไม่มีถนนจนกระทั่งครูบาสิวิชัยได้มาสร้างถนน mm hmm. ก็ทําให้การเดินขึ้นไปสักการ บ, บูชาพระบรมสารีริกธาตุบนลอยสุดเทพทําได้ง่ายขึ้นแค่คืนเดียวก็ไปถึงแล้ะ ใจ ต, ต่กอนนี้มันเป็นอาทิตย์เช่นเดียวกับที่สุริปปาทะหรือว่าพระธาตุอินแคนหรือว่าอ่ารักสังอุกาไฟาฟูจิพวกนี้โดยแล้วแต่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์บนเส้นทางนะก็เป็นโอกาสสำหรับการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง มันเป็นการเจริกแสวงบุญได้ก็เพราะว่าผู้คนเนี่ยต่างสมาธานศีลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะที่จะระดมความเพียรพร้อมที่จะใช้ชีวิต อ, อยู่อย่างเรียบง่ายหรือบางครั้งก็ลำบากขัดสนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนของการฝึกผัดขัดกล่าวตน ดังที่ว่าไปจาริกสวงบุญตามตามสถานที่เหล่านี้ได้บุญเนี่ยนะมันได้บุญก็ตรงที่ว่าได้ฝึกหัดขัดเกลาได้บำเพ็ญทั้งทานศีลภาวนานไปแต่ละที่ก็มีการบริจาคเงินให้คนยากคนจนแล้วก็มีการรักษาศีลหนแล้วก็ศีลห้าอย่างเคร่งครัดบางทีก็ศีลแปดด้วยซ้ําแล้วก็เจริญภาวนาไปด้วย มันได้บุญตรงนี้นะมันได้บุญตรงที่ว่าได้บําเพ็ญบุญกิริยาทั้งสามประการอย่างครบถ้วนหรือว่ารวมไปถึงการบําเพ็ญบารมีสิทธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ถึงนะถึงแม้จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่บนยอดเขาแต่ว่าอ น, นิสงส์หรือประโยชน์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและจะว่าไปแล้วเนี่ยในการฝึกหัด ดัดแปลงตนเองระหว่างทางก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางนี้อาจจะสำคัญยิ่งกว่าตอนที่ไปถึงซีดแต่เมื่อไปถึงแล้วบนยอดเขาเนี่ยนะมันก็จะให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามหรือว่าแตกต่างจากตอนที่ได้จาริกอยู่บนข้างล่าง เ, เมื่อเราขึ้นมาถึงข้างบนความรู้สึกของผู้จาริกสองบนทั้งหลายตามสารที่ต่างๆาที่กล่าวมาก็คงคล้ายค้ายกับ ความรู้สึกของเรานะเมื่อมาถึงตรงนี้สักครูน่นี้ความรู้สึกเบาสบายนะผ่อนคลายสัมผัสกับความสงบและรู้สึกเย็นใจนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นความรู้สึกอันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของนิพพานซึ่งเป็อนอุดมคติสูงสุดของชาวพุทธนะการที่ผู้คนได้บาเพ็ญจนกระทั่งมาถึง จุดสูงสุดตรงนี้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะอันนั้นก็คือก็เป็นเสมือนกับรสชาตินะของนิพพานน้อยๆจะเรกว่านิพพานชิมลองก็ได้อันนี้ก็เพราะนั้นก็เลยนะจึงเป็นประเพณีของทุกวัฒธนธรรมที่โดยเฉาของชาวพุทธนะเพื่อ เราจะเล็กสวแสงบุญนะจุดหมายสูงสุดจุดจุดหมายปลายทางก็คืออยู่บนยอดเขาเพื่อเราได้รู้สึกว่าหากว่าเราได้บาเพ็ญปฏิบัติอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเข้าสู่ <c oughs> แล้วเข้าถึงภาวะนิพพานความ้นทุกข์ไอความรู้สึกเช่นนั้นก็คงจะ ไม่ต่างจากความรู้สึกที่เราหรือที่ผู้คนได้มาถึงจุดหมายปลายทางบนยอดเขานี่เราเป็นหนังตัวอย่างก็ได้เป็นหนังตัวอย่างที่ทำให้ผู้คนเกิดความเพียนในการที่จะบวชเพ็นภาวนาเพื่อที่จะได้ดับทุกข์ดับกิเลสและเข้าถึงภาวะเย็นใจอย่างซึ้งอย่างลึกซึ้งคือนิพพานในที่สุด นั่นจได้ว่าการใจริษแขงบุญนมันเป็นกระบวนการที่ขัดกล่าวตนเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยแล้วก็เพื่อจะให้ได้มาได้สัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทําความเพียรมากขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองนั่นมองในแง่ในจุดหมายปลายทางการใาริกแขงบุญนะ มันไม่ได้หมายถึงการมาถึงสถานที่ที่เพื่อการเคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้ น, เ ป, นเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะแต่เป้าหมายที่ลึกไปกว่า น, นั้นสูงขึ้ไปกว่า น, นั้นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองจะว่ามันเป็นการเดินทางด้านไหนก็ได้ ถ้าการจเจริญแสงบุญมาเตือนเพียงแค่การเดินทางถึงที่หมายแต่ตัวแต่ว่าใจไม่ถึงใจไม่มีความไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนั้นก็คงจะว่าเป็นการจเจริญแสวงบุญไม่ได้ไม่ได้เต็มปากจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะการจเจริญแสงบุญแการเดินทางทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งการเดินธรรมญาตราเนี่ยจุดหมายปลายทางเนี่ยคือที่นี่เนี่ยวัดภู ตาปูทองหรือว่าพีวิไลเนี่ยนะมันก็เป็นจุดหมายปลายทางเชิงสั ญ, ญลักษณ์แต่ว่าความหมายที่ลึกไปแบบนั้นก็คือมันธรรมยาตามนคือการเดินทางด้านในนะถ้าว่าธรรมยาตาถ้าเราเดินธรรมยาตาแล้วเนี่ยตัวเราถึงที่หมายก็จริงคือถึงที่นี่ แต่ว่าการเดินทางด้านในมันเกิดขึ้นน้อยมากหรือว่าความเปลี่ยนแปลงนะภายในมันเกิดขึ้นน้อยก็ยังถือว่าเรายังไม่ได้บรรลุถึงจุดหมายของธรรมญาตราอย่างแท้จริงจริแล้วการเดินทางทั้งหลายนะ ที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันลดแล้วแตเป็นการเดินทางด้านในเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งสิน้นหลายคนเขาก็เลือกที่จะภาวนาด้วยการเดินทางในญี่ปุ่ น, นยังมีกวีคนนึงที่มีชื่อมากคือบาโชประมาณสักสามสี่รอปีที่แล้วเป็นคนที่คิดคน้นกวีนิพนธ์แบบไหกุ คนนี้ก็เป็นเป็นคนที่มีความลึกซึ้งในทางธรรมะมากไม่ไงั้นเขาทำไม่สามารถจะนิพนให้ฮบูที่มีความหมายลึกซึ้งด้วยอักษรเพียงแค่สิบเจ็ดคำเท่านั้นนะสิบเจ็ดคำแบบอมความหมายกินความหมายที่ลึกซึ้งมากบระชนนี่เขาก็พ้นพบตัวเองนะจากการเดินทางนะเขาเดินทางนะขึ้นเหนือลองใต้เนี่ย นะเป็นเรียกเป็นปีๆเลยนะเคยคํานวณแล้วก็ <c oughs> พบว่าเขาใช้เวลาเขาเดินทางถ้าเทีบกัเมืองไทยคือขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยจากกรุงเทพเชียงใหม่ประมาณเจ็ดครั้งกลับไปกลับมาอย่างนี้นะเจ็ดครั้งคิดตูเสื้อมัน7็ครั้งกรุงเทพเชียงใหม่ก็เจะดเจ็ดรอยกิโลเาก็เดินประมาณห้าพันกิโลเมตรแต่ไม่ใช้เดินครั้งเดือนก็าเดินประมาณสองสาครั้งแล้วก็เขาพบเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างใน หลายคนนะคนพบตัวเองจากการเดินทางฝรั่งหลายคนนะเขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเขาก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาได้คนพบตัวเองหลายท่านก็เลยตัดสินใจบวชลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลายท่านเนี่ยโดยและแต่เป็นนักเดินทางทั้งนั้น อ่างอรย์แช่สาโร่เนี่ก็นักเดินทางเดินทางจากส่วนยุโรปมาผ่านมาทางตอน อ, อกกลางอิหร่านมาอินเดียแล้วก็สุดท้ายก็มามาหยุดที่เมืองไทยแล้วการเดินทางของท่านมันไม่ใช่มายถึงการเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้เจอสถานที่ใหม่ๆเท่านั้นแต่ว่ามันสิ่งสำคัญคือการที่ได้ ได้ค้นพบตัวเองคนพบตัวเอ ง, ค, เองคือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดหมายสําคัญของชีวิตอัญญาสุมเมทโตก็เหมือนกันนะท่านก็ม า, าค้นพบตัวเองจากการเดินทางข้ามประเทศข้ามทวีปก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นแง่คิดว่าถ้าเราเดินทางแล้วแม้เราจะเปลี่ยนที่ ถ้าเราการเดินทางเราเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่นอนนะเปลี่ยนที่พูดคุยกันหรือว่าบางที่หนักกว่านั้นคือเปลี่ยนที่ช็อปปิ้งเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเราไปเจอสถานที่ต่างๆมากมายแต่เราไม่ค้นพบตัวเองเลยอันนี้ก็เรียกไว่าเป็นการเดินทางที่มีประโยชน์น้อย อาจจะได้ประโยชน์บ้างตรงที่เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติของชีวิตนะหรือว่าเป็นการผ่อนคลายจากการที่ได้ทำงานหนะักอันนี้ก็ยังมีประโยชน์นะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนการเดินทางที่สำคัญเนี่ยมันก็มันควรจะเป็นการเดินทางภายในนะซึ่งนาไปสู่การค้นพบตัวเอง มันไม่ใช่ง่ายนะในการที่คนเราเนี่ยจะคนพบตัวเองคนจนวนคนมากมายที่มีอำนาจมีเงินมีทองมากมายได้ลนสแสวงหาสิ่ ง, งต่างๆและประสบความสำเร็จแต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรอย่างแท้จริง ในอินเดียนี่มาสักสามสือยปีนี้กษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออัรังเซ็ปนะเป็นดูในราชวงศ์โมกุลเป็นซึ่งเป็นอิสลามนะพวกเร า, า จ, จะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อนี้นะแต่ถ้าพูดถึงพ่อของเขานะชาชาหานเนี่ยหลายคนอาจจะนึกได้ว่าอ๋อคือผู้สร้างทัชมาฮาลบุมตัสนี่ก็เป็นแม่แม่ของ Al นะองัรังเซ็ปนะอัรังเซ็ปจะเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มากอุตสา อุตสาห์ยึดอำนาจจากพ่อแล้วก็พ่อนี่ก็ตายในคุกเราก็คงทราบดีนะว่าพ่อนี่ยเขาถูกกันในคุกแล้วก็มองไปนอกหน้าต่างก็เห็นทัชมาฮาลแล้วก็เห็นอย่างน้นจนตายอรังเซ่นนี่เขายึดอำนาจแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายมากนะทำสงครามขยายดินแดนอย่างกว้างขวางปราบผู้ที่คิดเห็นต่างปราบกําราบคนที่คิดต่าง คนที่ถือศาสนาต่างจากตัวเรียกว่าเป็นพา ร, ราลาดได้ทีเดียวแล้วก็ประสบความสําเร็จนะในการแผ่ขยายอำนาจไปอินเดียอินเดียนในสมัยออลองเซตนี่มีประชากรถึงหนึ่งในสีของโลกประชากรหนึ่งในสีของโลกเนี่ยอยู่ในอนํานาจของออลองเซตอีกหนึ่งในอีกหนึ่งในสี่ก็คงเป็นอีกคงเป็นจีนนะนะสองประเทศนี้รวมกันเนี่ยประชากรมันครึ่งนึ่งของโลกในเวลานั้น ตอนนั้นสมัยอรองเซนนี่ถือว่ารวยที่สุดในโลกนะเพราะว่าเขาได้เหมืองเพชรที่สําคัญเขาจีบอำนาจได้ตีเหมืองตีเมืองนั้นได้อรองเซนนี่ก็เรียกว่าเหนียมหน้ามายาวนานทีเดียวร่ำรวยมหาศาลแต่สุดท้ายตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็พูดกับลูกชายเนี่ยว่าฉันมาฉันมาและฉันก็ไปอย่างคนแปลกหน้ามานี่ยคงมายถึงเกิดมาเนี่ยนะ มาและไปเหมือนคนแปลกหนะ้าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครคนที่มีอำนาจมหาศาลนะแล้วก็สามารถที่จะคนที่ประสบความสําเร็จนะทั้งในทางการเมืองและในทางในทางโลกนะแต่ตอนจะตายนี่ไม่รู้ตัวเองเป็นใครนี่มันน่าเศร้านะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครคือไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรเพราะว่าไม่มีความสุขคล้ายๆกับ เามาคอสมาคอสนี่เป็นประนาตทิพยดีที่ยิ่งใหญ่มากของฟิลิปปินแต่ถูกพลังประชาชนโค่นลงเมื่อสาสิบปีที่แล้วนะตอนนี้เขายัางเรื่องอำนาจ น, นี้เขาพูดเนี่ยก็ เ, เคยเขียนในบันทึกว่าในเขาเขาเจ้านี่มีอํานาจมากที่สุดในฟิลิปปินขส์ขเจ้ามีทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ต้องการนะรวยมากนะมีเงินเป็นแสนแสนล้านบาทเลยเพราะวาการคอร์รัปชัน ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินที่มากมากมายเท่าที่ชีวิตต้องการนะก็มีครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยามีลูกนะก็เขาก็พูดถึงความสำเร็จที่เขาได้รับแต่สุดท้ายก็ก็ลงท้ายว่าแต่ข้าพเจ้านะก็ยังไม่รู้สึก พ, งพึงพอใจในชีวิตนะขนาดมี อำนาจมีทรัพย์มีครอบครัวประสบความสำเร็จแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่างเขาถึงพูดว่าขาเจ้าไม่มีความพึงพอใจในชีวิตและสุดท้ายก็ตายอย่างน่าอเนจอานาณนะต้องรีบภายไปตายที่ฮาวายนยก็กลายเป็นทร่าที่ผู้คนยามยันเกลียดชัง เจ้าคนนี้เป็นคนเก่งทั้งสองคนนี้เป็นคนเก่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งชีวิตนี้ใช้ไปแบบสูญเปล่ามากเลยกระสานแถมสร้างความทุกข์ยากนะเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายโดยที่ตัวเองก็ไม่มีความสุขนะมารู้เอาตอนท้ายนะตอนปลายใช่ไหมมามารู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าไม่รู้ตัวเองเป็นใครอย่างแท้จริง ไม่รู้ชีวิตต้องการอะไรอย่างแท้จริ ง, งการค้นพบตัวเองนี่สําคัญมากนะและการค้นพบตัวเองส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางแต่การเดินทางที่สําคัญในกีฬาบอลนะั้นมันคือการเดินทางภายในนะเดินทางเพื่อการค้นพบตัวเองเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองอันที่จะธรรมยตรามานี้ก็ส่วนหนึ่งก็นอกจากเพื่อเราได้ช่วยกัน รณรงเพื่อสิง่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังอยาให้นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองอาจจะอาจจะหมายถึงการที่รู้จักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึ้นไม่ใช่เรียบง่ายเพราะว่าสถานีบี บ, บังคับ ให้เรียบง่ายแต่เรียบง่ายเพราะว่าเห็นว่าความเรียบง่ายมันมีคุณค่ายอย่างไรบ้างไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันเบียดเบียนธรรมชาติน้อยลงหลายคนเบียดเบียนธรรมะหลายคนพยายามใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ว่ารู้สึกว่าจำยอมแต่ว่าใครเรียบง ก, ก็ทําด้วยความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราพบ ว, ว่าชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันให้ความสุขกับเรามันไม่เพียงแต่เกื้อกูลต่อธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นประโยชน์ ให้ความทําให้ชีเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นธรรยะตายเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทให้เราตระหนักสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะว่าความสุขเนี่ยที่สาคัญคือความสุขใจไม่ใช่เกิดจากการเสดไม่ใช่เกิดจากการบริโภคแม้นะว่าเราจะประสบความยากลำบาก นะแต่ว่าเราก็สามารถจะมีความสุขใจได้หรือว่าไอาทำให้เราได้เห็นความเพลี่ยนพยายามของเราว่าเรานี่มีความเพียรมากกว่าที่คิดเรามีความอดทนมากกว่าที่เราเคยนึกถึงลองนึกดูซส้ว่านเนี่ยถ้าเราขึ้นมาบนนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วลองกินตนาการว่าเนี่ยเลยต้องเดินจากหลังเขาภูเขีแล้วก็เดินมา แล้วก็ตัดจากบ้านนาไยตรงเข้ามาเนี่ยเพียงแค่นึกภาพแบบนี้เราก็คงพอซะละพอซะลโอ้มันไกลามากตัวอะไนี่เป็นแค่มดนะคือเคยขยับเค่ยขยับทีละนิดทีละนิดท่ามกลางแดดที่ร้อนเปรียนะ่ยนเราคงนึกไม่ถึงว่าเราจะทำได้ หรือแม้กระทั่งเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็คงอดงชมโอนสงสารไม่ได้โอนนี่เป็นเราเลยเนี่ยที่เราเดินมาได้ขนาดนี้แต่นั่นคือคือเรานั่นคือสิ่งที่เราทําได้เราทําได้มากกว่านี้อีกนะถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยนะก็ก็ถือว่า่การเดินธรรมยตถาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหลายคนก็ยอมรับหรือว่าอ่ทึ่งในตัวเองว่าทําได้อย่างไร พ่อวันแรกนะก็ท้อแล้วแต่ว่าในาสุดก็สามารถจะทําได้สําเร็จแล้วคงจะทำให้เราได้เห็นว่าเป็นในความสามารถของตัวเรานะว่าเราเรามีมากกว่าที่เราคิดเยอะเพียงแต่เราไม่เชื่อตัวเราเองเท่านั้นเองคงไม่ต่างจากช้างตัวใหญ่ๆนะเราเคยคงเห็นเคยเห็นช้างนะช้างตัวใหญ่แต่มันถูกล่ามด้วยโซ่เล็กๆบางทีถูกล่ามด้วยเชือกที่เส้นไม่ใหญ่เลย คำถามคือว่าทําไมช้างเนี่ยมันไม่คิดที่จะเตะหรือสะบัดนะถ้ามันเตะหรือสะบัดเชื่อก็จะขาดโซ่ก็จะขาดแต่ทําไมมันถึงยอมให้โซ่เล็กๆหรือว่าหมุดเล็กๆเนี่ยตรึงมันเอาไว้ได้ก็เป็นเพราะว่ามันถูกทําเช่มาตั้งแต่เล็กนะตอนที่ตัวมันยังเล็กอยู่เนี่ยนะมันก็ถูกล่าแบบนี้แหละแล้วมันก็เคยพยายามที่จะสะบัดพยายามพยายามที่จะเตะให้หลุดแต่มันทําไม่ได้เพราะแรงมันยังน้อย เล้นก็ก็เลยเกิดความฟังใจว่ามันก็คงมันคงไม่มีความสามารถที่จะเป็นสระหรือตัดหรือแตะโซ่ให้ขาดได้มันคิดเช่นนี้แม้กระทั่งมันโตนะเป็นหนุ่มชักกลัดแล้วก็ยังมีความเข้าใจแบบนี้อยู่นะคือที่ว่าตัวนี้ยไม่สามารถจะแตะโซ่ให้ขาดได้ไม่สามารถจะดึงหมดให้หลุดได้บางทีจะเป็นเหล่าก็ได้นะเหล่าจะเหมือนอาจจะไม่ต่างจับช้าง ตัวที่ว่าก็ได้คือเชื่อตัวเองเนี่ยไม่มียมนาจเชื่อตัวเองเนี่ยนะบ่รัดนะใน <c oughs> จริงเราธรามาตานี่ก็หวังก็เชื่อเพืเ่ไม่รลอนเฮ้ยเราทําได้มากกว่าที่เราคิดนะนะเราทําได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยว่าะเราทำไม่คิดว่าเราจะทําได้ขนาดนี้อันนี้ก็เป็นการค้กตัว อ, อย่างหนึ่งที่สำคัญนะเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่จะทําในสิ่งที่ยากกว่า น, นี้ได้นะ หรือว่าบางคนอาจจะค้นพบนะถึงเรื่องของการค้นเห็นคุณค่าของสติเห็นคุณค่าของสมาธิเห็นคุณค่าของปัญญาว่ามันสามารถจะพาเรานะออกจากความทุกข์ได้คืออาจจะอยู่แม้จะต้องเจอทุกข์แต่ก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นความสามารถที่ใจเราทําได้นะเป็นเป็นการควบคตัวอที่ลึกไปกว่าการที่รู้ว่าเรา และมีความเข้มแข็งอดทนอย่างที่เรานึกกว่าที่เรานึกเรายังมีมากกว่านั้นอีกนะไม่ใช่แค่ขันติความอดทนหรือความเพียรที่เรามีมากกว่าที่เราเข้าใจนะสติปัญญาสมาธินะแลวถ้าเราสร้างสติให้มีขึ้นมากๆนี่ก็มันจะช่วยเราได้มีวันหนึ่งเดินผ่านผ่านหมู่บ้านผ่านวันที่ห้าเนี่ยวันที่ห้าเนี่ยช่วงที่เราเดินผ่าน บตำบลอสาพลทองนะก็เห็นโฆษณาปุ๋ยนะก็บอกปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดนะมันนึกดูไจริงๆเนี่ยถ้าเราเราเองก็มีสตินะทำไมเราไม่ฝึกสติให้เราขยันบ้างนะถ้าสติขยันนะทำงานทุกขณะทำงานทุกอย่างกล้าว น, นี้มันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะสติเรามีนะแต่ว่าไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะถ้าเรา ฝึก ส, สติเลยขยันนะปลอดเปลวว่างไวนะสติขยันนะทำงานทุกขณะเนี่ยโอ้ยช่วยเรานี่จะปลอดโปร่งข่องายเบิกบานนะจะไม่ทุกข์ง่ายๆอันนี้ก็เป็นส่วนอย่างการคว้นคุตัวเองนะในการจากการเดินธรรมยาตราก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปทบทวนนะก็เพราะว่าช่วงเจ็ดวัน ที่เราสละมาเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่มีค่าเราเลือกที่จะ ไ, ไม่ไปเที่ยว5้าหกเจ็ดนี่แทนที่เราจะไปเที่ยวเราเลือกที่จะมาลำบากนะมันน่าจะให้ความหมายอะไรนะที่คุ้มค่ากับการที่เรายอมสละเวลามาแ้นะตถาเชื่อว่าถ้ามันเป็นมันธรรมญาตามันจุดประกายให้เราเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำให้เราเกิดความเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงด้านไหนนี่นะก็ถือว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายมันไอสิ่งเวลาที่เราสาบไปนี่ไม่สูญเปล่าให้เราลองนึกภาพนะจินลองลองเปรียบเทียบนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขาะที่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเดินมาตามถนนนะตั้งแต่เช้านะถึงบ้านนาไหานะ บากก็ส่วนใหญ่ามาถึงหลังเที่ยงแล้วจากบ้านนาไฮาแล้วก็ต่อมาจนถึงอาปาไผ่บ้านพ่อกระจักความสึก ข, ของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรนะเหนื่อยร้อนหนักแล้วความสึก ข, ของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเราไม่มีความร้อนแล้วมีความเย็นความเหนื่อยที่เคยมีเมื่อวานนะตอนนี้ เราสึกผ่อนคลายสบายความหนักที่เราแบกอะไรต่างๆมากมายตอนนี้เรานะสึกโปร่งเบาที่จริงอาการที่ประสบะภาวะที่เราได้ประสบเมื่อวานนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะอาจจะไม่ต่างจากชีวิตของเราในปัจจุบันก็ได้ ชีวิตของเราในปัจจุบันซึ่งมันเต็มไปด้วยความเหนื่อยความล้ารู้สึกหนักอกหนักใจนะรู้สึกรุ่มร้อนถ้าว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็ให้เราเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราจิตังเราเนี่ยสามารถจะพัฒนามาสู่สภาวะอย่างที่เราคล้ายๆกับอย่างที่เราเป็นตอนนี้ก็ได้โปร่งเบาสบาย ผ่อนคลายนะรู้สึกว่าได้วางสิ่งต่างๆลงนะการที่ภาวะชีวิตของเราหรือเพราะจิตใจอะไรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะนะแต่มันต้องผ่านการปฏิบัติเหมือนกับที่เรากว่าจะมากว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เลยเราต้องเดินด้วยความเพียพยายาม แล้วเราก็มาชื่นชมความสำเร็จที่เราได้รับสิ่งที่ทำให้เพราะจิตใจชื่นของเราเนี่ยพ้นจากความเหนื่อยมาเป็นความผ่อนคลายพ้นจากความร้อนมาเป็นความเย็นจากความหนักมาเป็นความเบาได้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นมันคือธรรมะธรรมะที่จะช่วยยกจิตยกใจของเราให้ขึ้นสูงนะ อยากให้เราเชื่อว่าเราสามารถจะทำได้เราสามารถที่จะยกจิตยกใจของเราให้ถึงภาวะที่สงบเย็นผ่อนคลายเบิกบานและโปร่งเบาได้ก็ขอนะก็ขออวยพรให้ให้พวกเราเนี่ยนะ สามารถจ ะ, ะพัฒนาชีวิตของเราอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำพาจิตใจของเราให้ผ่านพ้นความเหนื่อยยากความรุ่มร้อ น, นความหนักอึ้งได้มาสู่ภาวะชีวิตจิตใจที่โปร่งเบาสบายไร้ความกังวลเพื่อที่เราะจะสามารถ ให้มันคุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาทั้งทีในด้วยการครองเพศมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านนะได้รับอนิสง์แห่งธรรมะที่ช่วยนำพาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์นะเข้าถึงเข้าใกล้หรือเข้าถึงจุดหมายสูงสุดนะของ โอตัสาศนาคือความสงบเย็นนะที่ไายทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนั่นคือพระนิพพานโดยการทุกคนเทิน